ต้องโดนคนนั้นโกงกลับเพื่อจะโกงใครจิตต้องรู้สึกถึงสิทธิครองทรัพย์ของเขาแต่จะดึงดันเอามาเป็นของเราซึ่งจิตปกติดั้งเดิมของมนุษย์จะไม่อยากทำเช่นนั้นเลยเพราะมีกำแพงร้ายตัวตนแต่รู้สึกได้ที่ชื่อว่ามโนธรรมขวางกั้นไว้มโนธรรมทำให้รู้สึกว่ามันผิดมันร้าย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 หรือเหมาะกับความเน่าเหม็นของเดรัจฉานหรือเหมาะกับความลุ่มลุ่มดนดอนแห่งเปรตแต่ถ้ายังอยู่ในขั้นขโมยและอยากคืนของโกงแล้วอยากกลับใจอันนี้จิตสำนึกแบบมนุษย์ยังคงอยู่จึงยังกลับมาเป็นมนุษย์ได้อีกแต่ก็ต้องได้รับโทษสถานเบาคือเป็นผู้มีทรัพย์พินาศในที่ที่กรรมเพดผล นั่นคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสีละสูตรว่าดุโทษของผู้มีศีลวิบัติ